พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13บพระสูตรที่26สันทกะสูตรสูตรว่าด้วยสันทกกะปริพาชกพระผู้มีพระภาคประทับนโคสิตตารามใกล้กรุงโกสัมพีพระอานุนเถระพร้อมด้วยภิกษุมากหลายไปสนทนากับสันทกกะปริพาชกพร้อมด้วยบริสัทสันทกกะปริพาชก นั่งบนอาสนะตามกว่าขอให้พระอานน์แสดงธรรมตามคติแห่งอาจารย์ของพระอานนท่านจึงแสดงเรื่องที่พระผู้มีพระภาคตรัสบอกถึงการไม่ประพฤติพรมจรรย์สี่อย่างการประพฤติพรมจรรย์ที่ไม่น่าพอใจสี่อย่างการไม่ประพฤติพรมจรรย์สี่อย่างคือหนึ่งศาสดาเป็นนติกะวาทะ ผู้มีความเห็นว่าไม่มีเช่นไม่มีผลของกรรมดีกรรมชั่ว 2. ศาสดาเป็นอกิริยวาทะผู้มีความเห็นว่าไม่เป็นอันธรรมเช่นฆ่าสัตว์ก็ไม่เป็นอันฆ่า 3. ศาสดาเป็นอเหตุุกะวาทะผู้มีความเห็นว่าไม่มีเหตุ คือบุญบาปไม่มีเหตุปัจจัย 4. ศาสดาเป็นผู้มีความเห็นในเรื่องสังสารสุทธิคือไม่ว่าผ่านหรือบัณฑิตเมื่อเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เหมือนกันศาสดาทั้งสี่ประเภทนี้วินยูบุรุษพิจารณาแล้วยอมไม่เลื่อมใสประพฤติพรหมจรรย์เพราะเห็นว่า เมื่อบุญไม่มีบาปไม่มีเป็นต้นเราไม่ต้องการบวชประพฤติพรหมจรรย์ก็จะมีคติเท่าเทียมกับสัสดาส่วนการประพฤติพรหมจรรย์ที่ไม่น่าพอใจสี่อย่าง 1. ศึสัดาอ้างว่าตนเองเป็นสัพพันยูมีญาณทัศนะสมบูรณ์แต่ช่วยตัวเองไม่ได้ 2. ศา ส, สดาเป็นคนถือความจริงตามที่ฟังมาสอนตามที่ฟังมาตามที่สืบต่อมาสอนโดยอ้างตำราสามศา ส, สดาเป็นนักเดาสศา ส, สดาเป็นคนโง่เมื่อถูกถามก็ตอบซัด ส, สายไปมาวินยูบุรุษพิจารณาแล้วรู้ความจริงแล้วก็เบื่อหน่ายหลีกไป จัดเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่ไม่น่าพอใจที่วิญญูบุรุษไม่อยู่ประพฤติพรหมจรรย์เลยและอยู่ประพฤติก็ไม่ได้บรรลุธรรมที่ถูกต้องที่เป็นกุศลแล้วพระอา น, นุ์ได้กล่าวถึงการประพฤติพรหมจรรย์ที่ได้ผลคือที่ผู้ออกบวชสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมได้บรรลุฌานสี่วิชาสาม เป็นพรหมจรรย์ที่สาวกจะได้บรรลุคุณวิเศษอัโอลานซึ่งวิญญู่บุรุษอยู่ประพฤติพรหมจรรย์โดยแท้และเมื่ออยู่ประพฤติก็ได้บรรลุธรรมที่ถูกต้องเป็นกุศลสันทกาปริพาชกกล่าวว่าพระอรหันยังบริโภคกามพระอานน์ตอบว่าพระอรหันเป็นผู้ไม่ควรที่จะประพฤติล่วงฐานะห้า คือไม่จงใจฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่แสบเมถุนไม่พูดปดทั้งๆรู้และไม่ทำการสะสมบริโภคการรมปริภาชกกล่าวอีกว่าพระอระหันมี ญ, ญาณทัศนะว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วใช่หรือไม่พระอานุนตอบว่าเมื่อคนมีมือเท้าขาดอยู่โดยปกติ เมื่อพิจารณาก็รู้ว่ามือเท้าของเราขาดฉันใดแม้พระอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วโดยปกติเมื่อพิจารณาก็รู้ว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วฉันนั้นปริภาชกถามถึงผู้ที่นำตนให้พ้นจากทุกข์ได้ว่ามีเท่าไหร่ในพระธรรมวินัยนี้พระอนุ์ตอบว่ามีมากกว่าห้าร้อยปริภาชก ก็สันเรินพระอานน์ว่าแสดงธรรมไม่ยกธรรมะของตนไม่ข่มธรรมะของคนอื่นเป็นการแสดงธรรมะตามเหตุแต่ก็มีผู้นําตนออกจากทุกได้มากถึงเพียงนั้นส่วนอาชีวกที่บัญญัติกันว่าเป็นผู้นําตนออกจากทุกได้มีเพียงสามคนคือนันทะวัชโคตรกิสะสังกิจจโคตรและมัคคลิโคสาละ แล้วสันทกะปริภาชคกล่าวกับบริษัทของตนอนุญาตให้ประพฤติพรหมจรรย์นในพระสมณะโคดมได้ส่วนตนเองยากที่จะสละลาบสักการะชื่อเสียงไปได้โดยง่ายเมื่อกล่าวแล้วก็ส่งบริษัทของตนไปประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาค